สมัยที่ไปอยู่วัดอมารวดีก็ะเทอังกฤษเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนอนทีวันนั้นเนี่ยก็จะมีด้านหลังที่เป็นทุ่งหญ้าค่อนข้างกว้างมองออกไปได้ไกลๆตอนเย็นๆก็จะ ก็ไปนั่งอยู่ตรงสนามหญ้าเพื่อดูภาะอาที่ตกอาทิตย์ที่นั่นก็ไม่ได้ตกแบบแบบเวลาเราอยู่ชายหาดนะแต่ว่ามันก็เป็นอาทิตย์ค่อยๆคล้อยต่ำลงไปเรื่อยๆอช่วงที่แดดร่มลมตกแล้วก็ผู้คนก็มานั่งพักผ่อนอยู่ตรงแถวๆนั้น ตดูแล้วนี่มันก็ช่วยทำให้ใจเราสงบ เ, เวลาพอาท่ต ก, ก์ตกค่อยๆคล้อยลงไปก็แปลกดีนะตอนนั้นก็สวะธรรมจใจมันสงบตอนกลางวันอาจจะมีความคิดทุ้งซ่านจจะมีความรู้สึกขึ้นลงอะไรกันแล้วแต่นะพอตอนเย็นๆเห็นพะอาที่ค่อยๆ ลดต่ำลงไปใจมันก็สงบผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางในเรื่องที่หนักหนักใจหรือเรื่องที่ไม่พอใจอะไรมันก็จะค่อยคลี่คลายหายไปมันเหมือนกับว่าบรรยากาศช่วงนั้นเป็นบรรยากาศของการที่ของ ความการพักผ่อนตอนยามเย็นก็มันก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจะได้เวลาพักผ่อนได้เวลาที่จะเตรียมตัวเข้านอนหรือได้เวลาที่จะวางภารกิจการงานหรือแมาจะบอกเตือนให้เราถึงเรื่องของความตายของชีวิตก็ได้ อาธิติกำลังจะรับขอบฟ้าไปมันก็ก็มันก็ชีวิตอนาะี่กำลังจะรับหายไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอันนี้มันก็เลยช่วยน้อมใจให้ให้ปล่อยให้วางยิ่งเวลาค่ำคืนนะถ้าได้ไปดู ดาวและยิบประยับเนี่ยที่มาโรดีก็ไม่ค่อยมีโอกาสดูดาวมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาทําวัดตรแต่ว่าอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ที่ไหนไหนเนี่ยถ้าได้มีโอกาสดูดาวนิีเงียบมันก็จะมีผลคล้ายกันนะไอ้ความเราจะมีความรู้สึกอะไรอยู่ติด้างใจมันก็จะค่อยคลายลงไป เพราะว่าเป็นเพราะว่าดาวท้องฟ้ามันเตือนให้เราเห็นถึงความเป็นความเป็นความกระจิตลิดนะความกระจ่อยลอยของตัวเราบ่อยครั้งความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นเพราะเราเอาตัวเป็นศูนย์กลางเอาตัวเป็นศูนย์กลางาเราะเราเป็นคนสำคัญ พูดอะไรทุกพออัตตาแต่พอดูดาวมันได้เห็นแล้วนะว่าเรานี่ธรรมชาตินี่กว้างใหญ่แต่เรานี่นก็จิตฤิ์มาดาวฤกษเล็กๆที่เราเห็นนี่มันก็มันใหญ่กว่าโลกที่เราอยู่นี่สกและเราเองเนียก็เป็นแค่จุดเล็กๆในโลกนี้พอไ่เห็นน้องไฟนจกวาแล้ว ให้ความยึดมั่นถือมันหรือให้ความสําคัญกับตัวตนตัวเองก็น้อยลงพอให้ความสําคัญกับตัวตนน้อยลงไอ้ความทุกข์แรงต่างก็เบาบางลงไปหรือจเลยนพวากลางคืนมันเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนช่วงของความการวางสิ่งต่างๆก็ได้จะ แ, แปลกเมื่พอถึงเวลาเช้าตรู่เนี่ย ในความยามเรา ก, ก็ตามที่มีความท้อแท้ ท, แท้อแท้ในวันก่อนเนี่ยพอเห็นผ้าที่ขึ้นหรือเจอบรรยากาศรุ่นกระดุลเนี่ยมันจะใจมันจะมีกำลังวังชาขึ้นมามันมีเร่ยวมีแรงขึ้นมาไอ้โทนของอารมณ์เนี่ยมันจะแตกต่างจากตอนเห็นผ้าที่ตก ซึ่งมันก็ดีทั้งคู่นะตอนพระอาทิตตกก็ช่วยมันช่วยทำให้ใจนี้ปล่อยวางมันก็ทำให้ความทุกข์ต่างๆเบาบางลงไปความหนักอกต่างใจก็คลี่คลายลงพอพระอาที่ขึ้นก็มีความรู้สึกกระตือรือร้นมีรู้สึกมีกำลังใจนะพร้อมที่จะลุยสู้อุปสรรคใหม่ก็เป็นความรู้สึกดีกแบบหนึ่งแต่ว่ามัน มันเป็นมันเป็นโทนที่แตกต่างกันเกือบจะตรงกันข้ามเลยก็ว่าได้จริงๆทำมากก็มีลักษณะแบบนั้นนะเวลาอย่างเช่นเวลาเวลาฟุ้งซ่านนี่เวลาฟุ้งซ่านพระเจ้าก็แนะนำให้ให้ใช้ ปัสสตินะปัสสติหรือสมาธิรูออ้เบคขาเนี่ยสามข้อนี้ก็เป็นทมในพ่อชงเจ็นะพ่อชงเจตคือองค์ธรรมอย่างการตัสรู้ปัสสธิผ่อนคลายกายและใจสมาธิอุเบคขาเนี่ยมันช่วยทำให้ใจสงบเวลาฟุ้งซ่า น, เ, นเวลามี ุทจจะกุกุจะเนี่ยความฟุ้งสร้างความรำคาญเดินวิตกกังวลร้อนใจพอมันเจอประสตทติเจอสมาธิหรืออุเบกขานมันก็สงบแต่ในเวลาในเวลาที่เฉยเนื่อยหรือว่าง่วงเหงาหานอนท่านก็ให้ ใช้เนี่ยธรรมะอีกสามตัววิริยะยธรรมะวิจยะแล้วก็ปิติอันนี้ก็เป็นสามตัวในพ่อชงเจ็ดเหมือนกั น, นคือถ้าใช้สามตัวนี้แล้วใจมันจะกระตือรือร้นตื่นขึ้นมาท่านบอกว่าท่านเปลี่ยนมันก็ว่า า, ว า, ายที่มันจะมอดเนี่ยนะถ้าเอาขี้วัวแห้งๆ เ, เอาหญ้าแห้ง โปรยลงไปมันก็จะลุกรุบขึ้นมาหน้าที่ของธรรมวิทยาวิริยะแล้วก็ปิติเนี่ยคือนนี้นะธรรมวิทยาคือการใครควรทมหรือว่าการพิจารณาธรรมก็เป็นปัญญานั่นแหละธรรมชาติกับธรรมะนี่ก็ทำงานคล้ายๆกันนะพาทิศตกก็ทำให้ใจเราปล่อยวางตอนนั้นเกิด มืนก็ว่าเปลี่ยนได้กับปัสสัตทิสมาธิแล้วก็แล้วหรือเบกขาก็ได้มันทําให้ใจสงบปล่อยวางความฟุ้งซ่านก็ลดลงแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาพอเห็นภาธิตภาธิตก็เหมือนกับวิริยะนธรรมวิจยะภาธิตขึ้นนั่นนะวิริยะธรรมวิจยะปิติมันทําให้ตื่นขึ้นมามนทําให้เกิดความวิตตือรือรลนเกิดกําลัง เกิดความหวังเกิดความมีชีวิตชีวาขึ้นมามีกําลังใจคนที่จะคิดฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเกิดหลายคนนะเตรียมตัวอยู่แล้วจะโดดลงมาจากตึกจากตึกสูงคอนโดมิเนียมคิดขุนทั้งคืนกลุ่มบ อ, อกกุ่มใจหาทางออกไม่เจอจนกระทั่งเช้ามือก็ตัดสินใจโดดตึกลงมา พอเหลือมองเห็นภาที่ขึ้นนะให้ความส่วนเปลี่ยนไปเลยนะเกิดมีกำลังใจนะเกิดมีความหวังว่าชีวิตมันมันไม่บัดซบอย่างนี้ไปตลอดนะมันก็ต้องดีขึ้นสักวันนะนั้นธรรมชาติกับธรรมไม้มันใกล้เคียงกันมากนะมันสามารถจะปลูกให้เกิด ใจิตใจที่เป็นกุศลนะที่ที่ที่สอดคล้องกับกรณีก็ได้นะ ก, กุศลในที่คือก็มีได้ทั้งความสงบเย็นนะปล่อยวางนะไม่เอาความทุกข์ความเครียดความวิตกกงงังวลความหนัก อ, อกหนังใจเข้ามารบกวนใ จ, ใจิตใจแต่ในบางครั้งก็ทำให้เกิดความ ก็ตื่อรือรน้นมีกำลังใจนะนะพร้อมที่จะลุยสู้กับอุปสรรคนะที่รออยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เป็นอา น, นิสงส์หรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ธรรมะแล ะ, และธรรมชาตินี้สามารถจ ะ, จะทำให้กับจิตใจของเราได้ บางทีเราในท้องเด็กกันเวลาเราอยู่ริมทานนะเห็นน้าไหลมันก็ช่วยทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าธรรมชาติน้ำที่ไหลเนี่ยมันอาจจะหมายถึงชีวิตของเราที่ไม่เที่ยงก็ได้มันเตือนเราเรู้ถึงความตายพอเรารู้ถึงความตายนี่ไอ ความเครียดความวิตกความกังวลต่างๆก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยจิตจอยไปเลยมันถ้าให้เราปล่อยวางได้หรือมิฉะนันก็ทําอะไรเห็นว่าไอ้ความทุกข์ความวิตกอะไรต่างๆที่มันเกาะกลุมใจเราเนี่ยมันก็เป็นของโชวครั้งโ่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านเลยไปมันก็สายน้นนาํานำธรรมชาติมันมันอาจจะไม่ได้บอกเป็นคําพูดนั่นนะ แต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่เราเนี่ยสามารถจะเชื่อมโยงถ้าเรารู้สึกเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าได้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดเกิดความได้คิดเกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการปล่อยวางพราะเราลึ้ถึงความตายหรือปล่อยวางพอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยจิ๊บจ้อย หรือปล่อยวางเพราะรู้ว่ามั่นใจว่ามันเดี๋ยวมันก็ผ่านเลยไปหลวงพ่อคำเขียนท่านก็พูดอยู่เสมอนะว่าธรรมะธรรมชาติก็เรื่องเดียวกันท่านพูดกระทั่งว่าเน่ยคนเรานี่สามารถจะเห็นธรรมได้นะจากการสังเกตธรรมชาติสังเกตจากธรรมชาติหรือว่าใจ ใครควรธรรมชาติมันก็เห็นธรรมได้หรือทำให้ใจเนี่ยเกิดธรรมะขึ้นมาหรือเกิดกุศลธรรมขึ้นมาพิจารณาธรรมชาติกุศลธรรมก็เกิดขึ้นอย่างที่เมื่อวานตอนค่ำหรือตอนมืดนะั้นเราก็อาจจะได้รับ หรือรู้สึกถึงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นกับใจของเราขณะที่เราดูภ้าที่ตกหรือว่าดูดาวแต่ละคนก็จะกุศลธรรมที่เกิดขึ้นอาจจะแตกต่างกันไปแต่มันก็เป็นผลจากธรรมชาติเหมือนกันเมื่อเราคร่ครวรธรรมชาติหรือว่าเปิดใจแล้วธรรมชาติด้วยใจที่สงบนะกุศลธรรมหรือว่า สัจะทําก็ได้นะอาจจะบังเกิดขึ้นกับใจของเรายิ่งธรรมชาตินี่นะเราถ้าพูดให้กว้างแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ธรรมชาติภายนอกเท่านั้นนะธรรมชาติภายนอกก็หมายถึงกระแสะน้ําภูเขาอาทิตตกท้องฟ้าที่มีดาวระยิบระยับธรรมชาติภายในมันก็ถ้าเราสังเกตก็เห็นทําได้เหมือนกันนะนะธรรมชาติภายในนี่ย มันก็หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้แต่เวทนาที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเวลาแม้กระทั่งเวลาเราเกิดทุกขเวทนาขึ้นถ้าเราสังเกตมันเราก็อาจจะเห็นธรรมได้เหมือนกันสังเกตในที่นี้ก็คือดูมันนะนะดูมันด้วยใจที่ใคร่ครวญ ดูมันด้วยใจที่เป็นกลางมันก็ทำให้เห็นทำได้เหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาไม่ได้คิดที่จะดูไม่ได้คิดที่จะมองหรือสังเกตมันเลยมันมีแต่ความรู้สึกอยากจะขับใสไล่ส่งอยากจะกำจัดออกไป มันก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้เห็นธรรมะจากธรรมชาติแบบนี้นลวงปูคาท่านท่านท่านพูดไว้น่าสนใจท่านบอกว่าอย่าไปเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นไปเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเนี่ยอย่าไปอยากหายอย่าไปอยากหายจากทุกขเวทนา พอถ้ายิ่งอยากหายอยากหนีออกไปจากทุกขเวทนาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เกิดสมุทยัยซึ่งเป็นตัวผลิตซ้ำความทุกขให้มากขึ้นแต่นี่คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่นะเวลาเกิดทุกขเวทนาเช่นปวดเมื่อยหรือว่าไม่สบายความอยากหายความอยากจะ ลัมันออกไปอยากจะกำจัดมันเนี่ยก็มากขึ้นแล้วมันยังก็ซ้าเตือนทำให้ทุกข์มากขึ้นนะเพราะว่ามันต้อบไปเพิ่มไปเพิ่มตัวสมุทไทยสมุทไทยคือเหตุแห่งทุกข์นะเมื่อเหตุเหตุมากทุกข์ซึ่งเป็นผลก็เกิดขึ้นมากตามไปเลยส่วนก็คือทุกข์มากท่านบอกว่าเนี่ยให้อยากรู้อยากเห็นความจริงของทุกข์ดีกว่า อย่าไปอยากหายจากทุกขเวทนาแต่ให้อยากเห็นอยากรู้ความจริงของทุกขเวทนาอันนี้แหละมันจะเป็นตัวมรรคเป็นตัวมรรคซึ่งนําไปสู่นิโรธในความอยากรู้อยากเห็นความจริงกับอยากผลักไสทุกขเวทนานี่มันต่างกันเลยนะอยากผลักไสนี่มันมีความรู้สึกความรู้สึกลบความรู้สึก โกรธความสุขไม่พอใจแล้วมันก็ทําให้พอทุกขเวทนาไม่ไปไม่ยอมไปสมใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมากลายไปว่าเกิดทุกขเวทนาทางกายและทางใจทางใจเกิดเพราะมันไม่เป็นไปตามใจปารถนาไม่เป็นไปดังดังอยากแต่ถ้าอยากรู้อยากเห็นความจริงของของทุกขเวทนานหรือความทุกข์เนี่ยมันก็ทําให้เศ้าดู อยากจะดูมันดูว่ามันจะสอนอะไรเราเนี่ยอันนี้มันทำให้อะไรความความใจที่เป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ค่อยมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าสมุทัยจะไม่เกิดทุกข์ความที่เกิดจาใม้เกิดความทุกข์ใจไม่มีอันนี้ก็คงเป็นหลวงปู่ขาตั้นได้หลวงปู่นี้ ส่วนนี้ก็คงมาจากประสบการณ์ท่านพราะท่านเคยป่วยป่วยหนักตอนนั้นก็อยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็เตือนว่าอย่าไปจะไปป่วยเฉยเฉยนะอย่าไปป่วยเฉ ย, นะ ย, ปปยเฉยให้ให้หาประโยชน์จากมันนะหรือผู้อย่างภาษาหลวงพ่อคำเขยเขาจะไปป่วยจะไปป่วยฟรีฟรีอย่าทุกฟรีฟรีนะต้องหาประโยชน์จากมันนะก็คือดูมันนะ เป็นเรียนทําจากมันมันก็สอนเรื่องอ น, นิจจังทุกขงกังอนัตตานั่นแหละถ้านจะว่าไปแล้วสังเกตดูมันก็สอนเรื่องอ น, นิจจังทุกขงกังอนัตตายกับเราจะเห็นว่าสังขารนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถจะควบคุมให้เป็นไปตามใจได้อันนี้แหละก็คือธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งหนะ้าที่มัน ที่เราก็ต้องรู้จักใครควรหรือพิจารณาด้วยนะใจจะพิจารณาได้ก็ต้องมีใจที่เป็นอุเบกขานะใจที่เป็นกลางนะเพราะถ้าใจเป็นลบต่อทุกขเวทนาเนี่ยมันก็คิดใจอยากจะไปกำจัดอยากจะไปห้าหัน่นหรือว่าผลักใส่ออกไปมันก็ยิ่งปวดใจเข้าไปใหญ่หรือทุกข์ใจเพราะว่ามันไม่หาย การที่จะป่วยแต่กายก็ป่วยใจด้วยแต่ถ้ามีอุเบกขาเนะอุเบกขานะวางใจเป็นกลางนะวางใจเป็นกลางต่อทุกขเวทนามันก็ทำให้สามารถจะเห็นความจริงนะของทุกขเวทนาหรือความทุกขที่ปรากฏเนะ ซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่ควรทํานะสําหรับอริยสัจข้อแรกนะอริยสัจข้อแรกคือทุกข์พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยก็ให้ให้เกี่ยวข้องกับมันให้ถูกนะหรือให้ทำหน้าที่กับมันให้ถูกนะหน้าที่นี้เรียกว่ากิจนะกิจทยานกิจท ย, ยานคือความรู้เกี่ยวกิจในอริยสัจสี่ถ้าเป็นอริยสัจข้อแรกคือหรือทุกข์เนี่ยก็คือการรู้มันนรู้มันเข้าใจมัน จะใช้ว่าปริญญานะถ้าเป็นสมุทัยก็ละใชนั่นใะช่ว่าปหาญ น, นะก็คือละนะถ้าเป็นนิโรดก็กิจที่คนทําคือทําให้มันแจ้งทําให้เกิดขึ้นหรือเข้าถึงส่วนมรรคเมลงแปลก็สิ่งที่กิจที่คนทําคือทําให้มากขึ้นทําให้มากขึ้นก็คือภาวนาภาวนาแปลว่าทําให้มากเอามาใช้กับอริอรอสัจข้อที่สี่นะก็คือองค์มรรค ทำให้มากขึ้นทําให้มากขึ้นก็คือปฏิบัติมากๆปฏิบัติบ่อยๆนะแต่ถ้าเป็นนักศึกษาคนแรกเกิดทุกนี้ก็ให้รู้ให้เข้าใจนะแต่รู้จะเข้าใจก็ต้องเห็นมันตามความเป็นจริงนะเห็นตามความเป็นจริงได้ก็ต้องก็ต้องมีก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่มีรักไม่มีเกียรตนะิไม่มีชอบไม่มีชัง อุเบกขามันก็เป็นอย่างที่พูดมเมื่อวานก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งนะเป็นบารมีอย่างหนึ่งแต่บารมีอุเบกขาในทศบารมีเนี่ยก็เห ม, มือนกับธรรมะข้ออื่นอื่นใ น, ในทศบารมีนะถ้าถ้าศึกษ า, าดูจากาชาดงเนี่ก็จะพบว่ามันเป็นคุณธรรมที่ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรา อาจจะเป็นการอาจจะเป็นอุปสรรคที่อยู่รอบตัวนะหรือใช้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างก็นดนะ้ชนูแบกขาในทศบา ร, รมีเนี่ยท่านก็หมายถึงการการวางใจเป็นกลางนะต่อคนที่เราพยายามช่วยเขานะพยายามอย่างใน ในชาดกเนี่ยนารถาพรามซึ่งเป็นตัวแทนองอุเบกขาเนี่ยก็นารถาพรหมเป็นตัวแทนของอุเบกขาท่านเป็นโพธิสัตว์นะเด่นด้านอุเบกขาเนี่ก็พยายามสอนสอนคนสอนพระราชาให้มีสัมมติทิฏฐิจากเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้มีสัมมาิทิฏฐิ ถ้าเปลี่ยนไม่ได้นะก็มีอบายเป็นที่หมายเมื่อพยายามเต็มที่แล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนทิิทก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของสัตว์สัตว์ยอมเป็นไปตามกรรมก็เป็นอุเบกขาในความหมายนี้ก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้ทุกร้อนอะไรนยะช่วยเขาแล้วเขาเขาไม่ไม่ร่วมมือด้วยนะแล้วต้อง รับกรรมหรือเกิดผลร้ายในภายหลังก็ต้องอุเบกขาเป็นอุเบกขาต่อต่อคนนะที่เราพยายามช่วยแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่ทุกข์นะช่วยแล้วไม่สาเร็จก็ไม่ทุกข์ดวยวิริยะนะของพระมหาชนนก็เป็นวิริยะคือการนะทำความเพียรนะว่ายน้ำเข้าหาฝั่งแม้ทนะเลกว้างไกลใหญ่ มองไม่เห็นฟังเลยก็ยังไว่เจ็ดวันเจ็ดคืนก็ยังไหว้อันนี้ก็เป็นวิทยาในการที่เอาชนะอุปสรรคภายนอกหรือว่าขันตินะก็เป็นความอดทนนะต่อผู้คนที่มุ่งร้ายทำร้ายกล่าวร้ายใส่ร้ายนะแต่ว่าพอพอในขั้นของการที่ปฏิบัติเพื่อความบ้นทุกข์เนี่ยนะ บรารมีเหล่านี้นี่ก็อามาใช้นะแต่เอามาใช้ไม่ได้เอาเอามาใช้จัดเพื่อจัดการกับสิ่งภายนอกนะแต่ว่าเอามาใช้เพื่อจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยเช่นอุเบกขาอุเบกขาแทนที่จะไม่ได้ใช้กับคนที่เราพยายามช่วยแล้วก็ไม่ไม่ร่วมมือแต่ามาใช้กับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจเช่นทุกขเวทนา มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็มีอุเบกขาคือไม่ยินดีไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีความสุขก็ไม่ยินดีมีความทุกขก็ไม่ยินร้ายนะแต่ใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะดูใครครวญ น, นะซึ่งจะทํากันได้ก็ต้องมีขันติด้วยนะขันติเนี่ยไม่ใช่เป็นขันติที่อดทนต่อสิ่งภายนอกแต่อดแต่เป็นนั้นขันติอดทนต่อสิ่งภายในะอดทนต่อทุกขเวทนาเพื่อที่ได้พิจารณาธรรม วิริยะนี้แทนที่จะใช้ในการสู้กับอุปสรรคภายนอกก็มาใช้ในการทํากิจ ด, ด้านในนะบางคนนี่ใช้วิริยะในการทํากิจภายนอกนี่ดีนะแต่ว่ากิจภายในไม่มีความเพียรเลยนะแต่ว่าถ้าเราบําเพ็ญบารมีนะอย่างถึงพร้อมก็มาใช้ในการบําเพ็ญกิจ ด, ด้านในด้วยก็ทําให้หลัก ทำไมเจริญในองค์มรรคเนะี่ยแล้วถ้าเจริญในองค์มรรคมากขึ้นจนถึงขั้นที่ทมามรรคนี้มีสามัคคีกันแล้วทำสมัคคีแล้วหมุนรวมไปหนึ่งเดียวกันก็นำไปสู่การตัดสูนะ่การรู้ธรรมการเห็นแจ้งในธรรมนึงบอกว่าการเรื่องบา ร, รมีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเนะ่ ทุกคนก็ต้องบําเพ็ญ น, นะผู้ใฝ่ธรรมถึงแม้ว่าจะไม่ได้มุ่งโพธิญาณไม่ใช่ไปคิดว่าบารมีนเป็นเรื่องของ พ, พระโพ ธ, ธิสัตว์ที่จะต้องบําเพ็ญเพื่อตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่ได้คิดจะไม่ได้มุ่งโพธิญาณไม่ได้มุ่งพุทธภูมินะแต่มุ่งที่ความหลุดพ้นนะ่ะเรียกว่าสาวกภูมิกนะ็ต้องบําเพ็ญบารมีเหมือนกันเพราะว่าจะต้องเอามาใช้นะในการเป็นตัวขับเคลื่อนหนุนองค์มรรคให้ ให้ให้เจริญงอกงามจนสามารถเกิดผลคือการเห็นแจ้งในธรรมได้หรือแม้แต่เป็นเป็นผู้ที่ต้องการควาเสวตทางโลกนะไม่ได้มุ่งการพ้นทุกข์หรือว่าก็ต้องการแค่ว่าอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขสบายไม่มีทุกข์มากก็ต้องใช้บารมีเหมือนกัน เรื่องการบำเพ็ญบา ร, รมีนี่นทำไม่ถูกนะเพราะว่าบางทีก็เกิดความเข้าใจผิดมากในสายในสมัยและการที่สี่ะการที่สามนี่มันมีคนมันมีจะเรียกว่าอะไรเป็นกระแสรหรือฟีเวอร์ก็ได้นะคือฟีเวอร์ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายด้วยการเผาตัวเองบ้างหรือถึงไม่ฆ่าตัวตายก็ตัดนิ้วตัดแขนตัดขาก็ทาเพื่ออะไรทาเพื่อ เพื่อบําเพ็ญทานบารมีอย่างในนกในเรือนนี่ก็เผาตัวเองตายเพราะว่าต้องการอุทิศชีวิตนี้ให้ต้องการบําเพ็ญนเรียกว่าทานปรมาทบารมีนะทานปรมาทบารมีกคือว่าการให้ชีวิตเป็นทานไม่ใช่ให้สิ่งของไม่ใช่ให้อวัยวะแต่ให้ชีวิตเลยนั่นไงใช่ไหเนี่ยถ้าบําเพ็ญถ้าต้องการเป็นพระธิจ้าเนี่ยก็ต้อง มันเป็นทานปารมาทบารมีก็คือสละชีวิตสละชีวิตยังไงก็คือเผาตัวเองเอาน้ําเอาอน้ํามันมานะเอาน้ ำ, เ อ, นำเอาผ้าชุบน้ํามันมามัดตัวแล้วก็เผาแล้วคนก็ทําตามกันเยอะนะไม่ใช่มีแค่ในนกในเรืองแต่ที่รู้มีสองคนพราะเขาทามีการทํารูปเคารพเอาไว้นะที่วัดอรุณมั้งหรือวัดละฆังนี้ ตอนหลังนี้และการที่เสีต้องออกประกาศนะว่าห้ามเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่การบําเพ็ญบารมีที่ถูกต้องทานปรมาภิธรรมีคือการอุทิศชีวิตก็จริงแต่อุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะเช่นอุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือเสือลูกเสือนี่เคยเล่าไปแล้วนะพระโุติสัต์เห็นแม่เสือนี่พึ่งคลอดลูกมันกําลังจะกินลูกของมันเพราะมันหิวมากพระโุติสัตว์นี่ตอนนั้นเป็นฤๅษีนะไม่รู้จะช่วยยังไงนะก็ เอาชีวิตเป็นทานแล้วกันสตร์ชีวิตให้แม่เสือกินจะได้ไม่ไปฆ่าลูกเสือนี่เราเป็นทานปรมัทธบรมีสาชีิตเพื่อช่วยคนไม่สาสชีวิตลอยๆนะเพื่อเพียงเพื่อว่าอุทิศพระพุทธเจ้าถวายกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการให้อุทิศตนแบบนั้นอุทิศตนด้วยการปฏิบัติธรรมอุทิศตนด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น อย่างที่จะพูดจาว่าเนสละเอาไว้สละทรัพย์เพื่อรักษาอา ว, วัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีพเพื่อรักษาธรรมไม่ใช่ทําเลยลอยนยไม่ใช่ตัดนิ้วตัดแขนตัดขาเลอยลอยนะแต่มันต้องมีเหตุ เ, เพื่อช่วยผู้อื่ น, นอันนี้ก็มันก็แสงเห็นนะว่าค่าอย่างน้อย เรื่องที่พูดมาก็เป็นเครื่องชี้ว่าคนสมัยก่อนนี้เขาเขาทำจริงทำจังมากนะมุ่งที่จะบรรลุโพธิญาณเป็นพุทธเจ้านี่เรียกพรอยู่ที่ชีวิตแต่ว่าความเข้าใจผิดนะก็ทำให้อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการก็ได้แต่ก็มีคนคิดแบบนั้นเยอะนะจนกันทั่งต้องออกประกาศของรัชกาลที่สนีะ่ห้าไม่ให้ทำซึ่งตอนหลังก็ คนก็หันไปไปทำบำเพ็ญบารมีอย่างอื่นแต่ตอนหลังก็เลิกบำเพ็ญไปแล้วอย่างยุคนี้นี่ก็ยอมสละนะยอมสละชีวิตเพื่อเพื่อทรัพย์ได้นะยอมสละทำเพื่อทรัพย์ก็ได้คนะ่าคนบางทีก็ค่าพ่อค่าแม่เพื่อจะได้บรดก อันนี้ก็เรียกว่าสละธรรมนะเพื่อเอาไว้เพื่อเพื่อรักษาหรือเพื่อเพิ่มพูนทรัพย์หรือว่าสละชีวเพื่ออวัยวะก็ได้นะยอมให้ผ่าตัดทำโน่นทํา น, น, านี่ถึงตายนะเพียงเพื่อจะได้มีหน้าตาที่สะาสวยเพื่อได้มีร่างที่สมส่วนไม่อ้วนะก็ถึงตายอัล้วก็พูก้กระท่านี้นะเช้านี้